บทที่สามสิบเจ็ดวันสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อครับการแผ่เมตตาเราจะแผ่ให้คนเป็นเป็นได้ไหมครับพระบัวเฮียวถามท่านพระครูคนเป็นเป็นของเธอนะ่ะเป็นยังไงละ่ะท่านแกล้งทำเป็นไม่เข้าใจ เพราะไม่คิดว่าลูกศิษย์จะถามอะไรเฉยๆแบบนี้คนเป็นๆก็คือคนที่ไม่ตายและคนที่ตายก็คือคนที่ไม่เป็นนะครับเมื่ออาจารย์แกล้งมาศิษย์ก็แกล้งกลับไปบ้างเธอตอบเกินคําถามแล้วนะบุเยเหียวฉันให้เธออธิบายเฉพาะคนเป็นเป็นเธอก็อธิบายคนตายตายมาด้วยทั้งที่ฉันไม่เด็กถามผมทราบครับว่าหลวงพ่อ จะต้องถามต่ออีกก็เลยตอบตอบไปที่ให้รู้แล้วรู้รอดไปแปลว่าเธอได้เห็นหนอแล้วใช่ไหมขอแสดงความยินดีด้วยนะยั่วอีกผมยังไม่เก่งกาดขนาดนั้นหรอกครับหลวงพ่อหมายถึงตอนนี้นะครับแต่ต่อไปก็ไม่แน่คนพูดทำเคืองในขนาดยังไม่เก่งก็ยังเก่งถึงปานนี้ แล้วถ้าเก่งล่ะจะเก่งถึงปานไหนอาจารย์เอ่ยชมชมเผื่อไปถึงอนาคตด้วยผมเพียงแต่เดาใจหลวงพ่อได้ถูกต้องเท่านั้นเองครับก็ถูกแกล้งเสจจนชินเลยรู้ทางหนีทีไล่ผู้เป็นสิทธว่าอ่อนี่เธอหาว่าฉันรังแกเธองั้นสิหาว่าฉันเป็นผู้ใหญ่รังแกเด็กงั้นใช่ไหม ผมไม่ได้หาว่านะครับก็หลวงพ่อเป็นอย่างนั้นจริงๆผมไม่ชอบใส่ร้ายป้ายสีไม่เชื่อถามผมดูก็ได้หลวงพ่อรังแกผมทุกครั้งที่มีโอกาสอำนวยบางครั้งโอกาสไม่อำนวยหลวงพ่อก็ยังรังแกผมพระบวยเหี่ยวถือโอกาสแก้แค้นด้วยการต่อว่ากอดทำไมรังแกเธอแล้วจะไปรังแกใครเล่า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 พอดีฉันมีโทษแค่ครึ่งเดียวพอได้ลดครึ่งหนึ่งก็เลยหมดพอดีเรียกว่าเจ้ากันไปพระบบยเฮียวเห็นไม่ได้การถ้าหมัวพูดเละเลื้อนเลื่อนเปื้อนแบบนี้ไม่ได้การแน่จึงวกกลับมาพูดเรื่องเดิมแม่หลวงพ่อครับผมถามนิดเดียวหลวงพ่อตอบแถมเป็นกิโลกิโลเลยแล้วไม่ชอบหรือไง สมัยนี้เขาต้องมีของแถมกันทั้งนั้นซื้อไม้จิมฟันแถมลงศพอะไรเถือกเนี่ยแต่ผมไม่ชอบของแถมหรอกครับสินค้ามีของแถมมันแสดงถึงว่าคุณภาพไม่ดีถ้าดีก็ไม่ต้องมีของแถมคนก็แย่งกันซื้อจริงไหมครับจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ตอบเล่นลิ้นท่านเคร่งเครียดกับธุระของคนอื่นมามากแล้ว มีพระโบยเฮียวนี่แหละที่ช่วยให้ใครเครียดได้งั้นเอาจริงก็แล้วกันนะครับผมมันเป็นคนจริงเอาละครับทีนี้หลวงพ่อตอบคำถามผมด้วยเถอะครับที่ผมถามว่าเราจะแผ่เมตตาให้คนเป็นๆจะได้หรือไม่พระหนุ่มทวนคําถามมิฉะนั้นท่านพระครูจะต้องย้อนว่าเธอถามฉันว่ายังไงละ่ะเมื่อสิทธิถามจริงจัง อาจารย์จึงตอบจริงจังว่าได้สิบัวเยียวทำไมจะไม่ได้ละ่ะถ้าอย่างนั้นผมจะแผ่เมตตาให้โยมแม่กับผัวเขาหลวงพ่อว่าเขาจะได้รับไหมครับท่านพระครูมองหน้าลูกศิษย์พลางประเมินผลในใจแบตเตอรี่ลูกนี้ชาร์จไฟไว้เต็มแล้วหม้อ ก, ก็ไม่รั่วจึงพร้อมที่จะถูกนำมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้ทุกเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วจึงตอบว่าได้อย่างแน่นอนเธอปฏิบัติได้ถึงขั้นแล้วแม้จะยังไม่ได้เห็นหนอแต่ก็สามารถแผ่เมตตาให้ผู้อื่นได้พระบัวเหียวดีใจจนลืมกำหนดดีใจหนอพระอุปชาจึงกล่าวเตือนว่าบัวเฮีว้วทำไมไม่กำหนดดีใจหนอล่ะ พระนมปฏิบัติตามเมื่อข่มความยินดีลงได้แล้วจึงพูดขึ้นว่าสองสามวันมาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรครับหลวงพ่อผมคิดถึงแต่โยมแม่ไม่รู้แก่สุขสบายดีหรือเปล่าผมเคยเขียนจดหมายทิ้งไปเมื่อก่อนปีใหม่แกก็เงียบงอมไปเลยได้รับหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เธอเขียนทิ้งใครก็จะได้รับล่ะ ต้องเขียนส่งไปให้ถึงจะได้รับท่านพระครูยังอยากยั่วต่อหลวงพ่อว่าแกได้รับหรือเปล่าครับคนถูกยั่วไม่ยั่วตอบหากถามเป็นการเป็นงานท่านต้องการที่จะให้พระอุปชาใช้เห็นหนอตรวจสอบให้ได้รับสิ ท่านพระครูเผลอตกลุมพรางจนได้ที่จริงพระบัวเฮียวไม่ได้ตั้งใจจะต้อนพระอุปชาแต่เมื่อโอกาสเป็นของท่านแล้วก็จะละเลยเสียกดูกระไรอยู่อีกประการหนึ่งท่านก็ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจแล้วจึงขอเวลานอกยัวอาจารย์เล่นแก้สิงอ้าวไหนหลวงพ่อบอกว่าทิ้งไปไม่ได้รับ ต้องส่งไปให้ถึงจะได้รับแล้วทำไมาโยแม่ผมได้รับละครับในเมื่อผมทิ้งไปเออนะฉันช่วยให้เขาได้รับเองแหละท่านพระครูถือโอกาสพูดเอาบุญเอาคนคนเป็นสิทธิ์จึงกลับมาพูดเป็นงานอีกว่าหลวงพ่อครับถ้าอย่างนั้นคืนนี้เวลาสองทุ่มผมจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้โยแม่กับผัวเขา ผมจะนั่งไปจนถึงสองโมงเช้าเลยนะครับเธอนั่งได้นานขนาดนั้นหรือตั้งสิบสองชั่วโมงเชนาผมทำได้ครับหลวงพ่อผมเคยนั่งมาแล้วดีจริงฉันอนุโมทนาด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอนั่งหลับนาะพระอุปชาอ ย, ย่างสงสยัยไม่หลับครับหลวงพ่อผมมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาที่นั่ง หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ท้องพองก็รู้ว่าพองท้องยุบก็รู้ว่ายุบเจ็บปวดตรงไหนก็กำหนดผายลมกี่ครั้งก็กำหนดทุกครั้งสิทิสาทยายเส ย, ยืดยาวอาจารย์กำลังบอกให้หยุดก็พอดีคนเป็นสิทธ์หยุดเองเสียก่อนที่หลังไม่ต้องอธิบายละเอียดอย่างนี้ก็ได้ฉันรู้แล้วว่าเธอปฏิบัติได้จริงเร่งทำความเพียรเข้า จะได้ใช้หนี้เวนีกรรมให้หมดหมดไปเสียได้ยินว่าจะต้องใช้หนี้กรรมพระบัวเยวถึงกับขนลุกจึงกำหนดขนลุกหนอด้วยสติอันว่องไวที่ได้ฝึกไว้ดีแล้วหลวงพ่อครับก่อนนั่งผมไม่ต้องเดินจงกรมได้ไหมครับหรือว่าต้องเดินสักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนั่งจะเดินหรือไม่เดินก็ได้ถ้านั่งไม่นาน ก็ควรจะเดินจงกรมก่อนแต่ก็นั่นแหละเมื่อปฏิบัติได้ชำนาญแล้วเราก็ปรับของเราได้เองจะเดินอย่างเดียวหรือว่าจะนั่งอย่างเดียวหรือว่าจะเดินสลับกับนั่งก็ได้ทั้งนั้นข้อสำคัญคือให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาเป็นใช้ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมจะเริ่มต้นตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับวันนี้วันโกนขึ้นเจ็ดขา พรุ่งนี้วันพระแปดข้านั่งวันโกนต่อวันพระเลยนะครับเธอคิดจะนั่งตอนไหนล่ะอาจารย์ถามอีกทั้งที่สิทธิ์บอกไปครั้งหนึ่งแล้วสองทุ่มตรงครับสองทุ่มคืนนี้ถึงสองโมงเช้าพรุ่งนี้พระบัวเหี่ยวตอบครั้นนึกได้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระจะต้องไปลงอุโบสถตอนตีสี่จึงถามพระอุปชาว่า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 แล้วจึงข่อยแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจครับขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาผมมาตลอดบุญของผมแทๆ้ๆที่ได้มาพบพระอุปชาที่ประเสริฐเช่นหลวงพ่อพูดพร้อมกับก้มลงกราบด้วยความสำนึกในบุญคุณหลวงพ่อครับเราแผ่เมตตาข้ามทวีปได้ไหมครับพระบวัวเฮียวถามขึ้นอีก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 จนสามารถแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้พ่อแม่กับปู่เขาที่อยู่นอร์เวย์ได้เอาเถอะถ้าเธออยากรู้เรื่องวันหลังก็จะเล่าให้ฟังถ้าอย่างนั้นการที่ขหบอดีและครอบครัวช่วยกันแผ่เมตตาให้ลูกชายของคนโตที่อเมริกาก็ต้องได้นะสิครับพูดถึงขหบอดีท่านพระครูก็นึกขึ้นได้ท่านวานเห็นหนอตรวจสอบและรู้เรื่องเดี๋ยวนั้น จึงตอบไปว่าได้สิและตอนนี้เขาก็เข้าสุสานไปแล้วขหา บ, บดีกับภรรยาเดินทางไปรับศพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดีเองแบบนี้ก็ไม่ดีสิครับแผ่เมตตาไปทำให้เขาตายถ้าไม่แผ่เขาอาจจะยังไม่ตายก็ได้ดีสิบัวเหี้ยวทำไมจะไม่ดีละ่ะก็คนติดยาอนะมีความสุขนักหรือ เขาตายไปจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าถึงอย่างไรคนติดติดยาก็อายุสั้นอยู่แล้วตายแบบได้รับส่วนบุญกุศลกับตายแบบไม่ได้รับนะ่ะอย่างไหนจะดีกว่ากันเธอคิดเอาเองก็แล้วกันแต่พ่อแม่เขาจะคิดจะเข้าใจเหมือนที่ผมกับหลวงพ่อเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาเข้าใจ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 เป็นอะไรตายครับไข้โปง้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยร้ายแรงขนาดนั้นเียวเหรอครับไข้โป้งเนี่ยแล้วแล้วมียารักษาไหมครับพระหนุ่มถามซื่อบัวเหี้ยวครับนี่เธอไม่เข้าใจจริงๆรหรือว่าแกแรงไม่เข้าใจกันแน่เธอไม่รู้จริงๆรนะหรือว่าไข้โปง้งหมายถึงอะไรไม่ทราบจริงๆครับ หมายถึงอะไรล่ะครับจ้างฉันก็ไม่บอกเธอพระอุปชาถือโอกาสเล่นตัวแล้วถ้าไม่จ้างหลวงพ่อจะบอกใช่ไหมครับผมไม่มีเงินจ้างครับเธอจะรู้ไปทำไมเล่าก็เผื่อหลวงพ่อเป็นผมจะได้บอกหมอได้ถูกไงครับไม่ต้องรอกรับรองว่าฉันไม่ตายด้วยไข่โป้งอย่างแน่นอนรับรองว่าไม่ใช่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 ชอบลามปามโดยไม่เลือกกาละเทสะพระหนุ่มตำหนิตัวเองเสยืดยาวท่านพระครูไม่ได้โกรธคนที่เป็นศิษย์แต่ตอบเสียงเรียบๆว่าฉันตายด้วยอะไรน่ะหรือเธอฟังหน้าบวยเหี่ยวฟังแล้วก็จดจำเอาไว้ฉันยังไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครเธอเป็นคนแรกที่จะรู้ท่านนิ่งไปอึดใจนึง และจึงพูดขึ้นด้วยเสียงและอากัปกิริยาที่เป็นปกติว่าฉันจะตายด้วยอุบัติเหตุรถควม่มเดี๋ยวเธอกลับไปจดบันทึกไว้เลยนะวันที่14ี่ตุลาคม2521ยเอเวลาเที่ยงสี่บห้าท่านพระครูเจริญจะต้องมอรณาภาพเพราะอุบัติเหตุรถคว่ำหากพระบบยเฮียวส่องกระจกตอนนี้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 เศร้าใจหนออยู่นานกระทั่งบรรบรรเทาเบาบางลงจึงถามพระอุปชาว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อทําไมมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั่นแหละบัวเฮียวเหตุปัจจัยที่ว่านี้คือกรรมนั่นเองเธออย่าทําหน้าซีดอย่างนั้นเลยนาะขอทีเธอคนติดตายคือฉันไม่ใช่เธอ เลิกทำหน้าซีดๆแบบนั่นได้แล้วท่านยังมีแก่ใจยั่วโทหลวงพ่อครับขนาดหน้าสิวหน้าขวานอย่างเนี้ยหลวงพ่อยังใจเย็นอยู่ได้แล้วผมก็ไม่ได้แกล้งทำหน้าซีดนะครับมันซีดของมันเองเพราะผมไม่อยากให้หลวงพ่อตาย และถ้าให้ผมตายแทนที่จะเป็นหลวงพ่อผมก็ยินดีครับอนุญาตให้ผมได้ทดแทนพระคุณหลวงพ่อด้วยการตายแทนเถอะครับพระบวยเหี่ยวพูดเป็นการพูดที่ออกมาจากใจจริงทว่าคนฟังกลับรู้สึกปรงอนิจจังที่ลูกสิทธิ์ของท่านช่างคิดและพูดเหมือนคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานมาก่อนเลยในชีวิตน่าอนาจใจ อุตส่าห์ปฏิบัติมาตั้งหลายเดือนนึกว่าจะก้าวหน้าไปถึงไหนไหนที่แท้ก็ไปไม่ถึงไหนเลยบัวเหี้ยวนะบัวเหี้ยวท่านพูดพรางถอนใจหลวงพ่อหมายถึงผมหรือหมายถึงใครครับสิทธิ์ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์พูดก่อฉันกําลังพูดอยู่กับใครละ่ะพูดอยู่กับผมครับ ท่านพระครูจเจริญกำลังพูดกับรบาบัวเฮียวหลงพ่อยังไม่ทันแกสักเท่าไรหลงซะแล้วไม่น่าฉันหน่ารื้อหลงผิดไปละมัง่งคนที่หลงหน่าจะเป็นเธอมากกว่ามีอย่างที่ไหนอุตส่าห์ปฏิบัติกรรมฐ า, านตั้งหลายเดือนยังมาพูดว่าจะตายแทนฉันช่างไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมเอาเสียเลย ถ้าคนเราทำกรรมแทนกันได้พรุ่งนี้เช้าก็ไม่ต้องฉันข้าวหรอกนะฉันฉันแทนแล้วให้เธอเป็นคนอิ่มเอาอย่างนั้นไหมล่ะมันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะครับคนไหนกินคนนั้นก็ต้องอิ่มสิครับคนอื่นจะไม่อิ่มแทนกันได้อย่างไรพระมวยเฮียวว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละในทํานองเดียวกันการทิ่เธอจะมาตายแทนฉันนะ่ะ มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉันเป็นคนทำกรรมฉันก็ต้องเป็นผู้รับผลของมันผมเห็นหลวงพ่อทำแต่กรรมดีหลวงพ่อสั่งสอนอบรมให้เป็นคนดีแล้วก็ยังสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาด้วยความเมตตาโดยไม่ต้องมีผลตอบแทนหลวงพ่อไม่เคยคิดถึงความสุขส่วนตัวด้วยซ้ำและทำไมจะต้องประสบเคราะห์กรรมแบบนั้นหรือว่านั่นคือผลตอบแทนของการทากรรมดี ผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดโลกมันถึงอายุติธรรมอย่างนี้ไม่เข้าใจจริงๆครับหลวงพ่อพระหนุมรำพึงรำพันมันไม่ใช่อย่างนั้นหลอกบัวเยียวอย่าเข้าใจผิดจำไว้เถอาว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วจริงอยู่ใครๆอาจจะเห็นว่าฉันทำแต่กรรมดีแต่กรรมชั่วที่ฉันทำ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 เธอรู้จักฉันมานานแค่ไหนเชียวพระหนุ่มนับนิ้วและตอบว่าสี่เดือนครับเพียงสี่เดือนแล้วเธอจะแน่ใจได้อย่างไรว่าฉันไม่เคยทำกรรมชั่วอย่าว่าแต่สี่เดือนเลยครับถึงผมจะรู้จักหลวงพ่อแค่สี่วันผมก็แน่ใจว่าคนอย่างหลวงพ่อไม่ทำถึงผมไม่ได้เห็นหนออย่างหลวงพ่อ แต่ผมก็มั่นใจในสิ่งที่ผมเห็นโดยไม่มีหนอครับเอาละ่ะเมื่อเธอมั่นใจอย่างนั้นก็ดีแล้วฉันก็จะได้บอกเธอเสียให้หมดทุกเรื่องจะได้หายสงสัยฉันต้องประสบอุบัติเหตุคอหักตายเพราะกรรมชั่วที่ฉันเคยทําเอาไว้ฉันทํากรรมชั่วมามากเหลือเกินโวเยเหวเอ้ยท่านพูดอย่างปรงสังเวชทําไวเมื่อชาติก่อนๆแล้วครับ ชาตินี้แหละเธอไม่รู้อะไรสมัยที่ฉันเป็นวัยรุ่นอายุ1 2บสองสิบสามน่ะเกสบัดเลยใครๆเขาก็เรียกว่าไอ้มหาโจรกันทั้งบางนั่นแหละช่วงนั่นแหละที่ฉันก่อกรรมทำเข็นไว้มากแล้วก็ต้องมานั่งชดใช้อยู่จนทุกวันนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าต้องลดความคอหักเพราะทำกรรมอะไรครับ สิทธามอย่างใครรู้หักคอน่ะสิเธอรู้ไหมว่าฉันหักคอนกมาเป็นร้อยร้อยตัวเลยก็ต้องมาใช้กรรมนี่นกก็ดีจะได้ใช้สิให้หมดให้สิ้นไปพระบวยเยวเพิ่งจะเข้าใจได้เดี๋ยวนั้นกฎแห่งกรรมช่างเที่ยงตรงนักใครทำกรรมไว้อะไรก็ต้องได้รับผลเช่นนั้นจะมั่งมีหรือยากจนอย่างไร ก็ไม่อาจหนีพ้นกรรมที่ตนทำได้แล้วท่านก็นึกถึงกรรมที่ตัวเองกรรมที่เคยฆ่าวัวฆ่าควายหลวงพ่อครับและผมจะชดใช้กรรมอะไรก่อนหรือหลังหลวงพ่อเธออยากจะใช้ก่อนหรือหลังละ่ะก่อนสิครับถ้าหลวงพ่อมอรณะผ้าไปแล้วใครจะมาช่วยผมออนี่เธอแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจออกมาเนี่ย ก็เพราะห่วงตัวเอง ห, อหรือฉันนึกว่าเธอห่วงฉันเสอีกที่แท้ก็ห่วงตัวเองนี่เองท่านพูดยิ้มยิ้มพระบุญเฮียวรู้สึกคลายเครียดลงตอบท่านว่าก็ห่วงหลวงพ่อเคยสอนผมนี่ครับบุคคลตามค้นไปด้วยใจตลอดทิศก็ไม่ได้พบผู้ที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนที่ไหนเลยหลวงพ่อพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับ ฉันไม่ได้พูดฉันเพียงแต่อันเชิญพุทธพจน์มาให้เธอฟังเท่านั้นเอาล่ะเอาล ะ, าละสรุปว่าเธอรักตัวเองมากที่สุดก็แล้วกันและหลวงพ่อล่ะครับหลวงพ่อรักใครมากที่สุดสิทธิ์ย้อนถามบ้างฉันก็รักตัวเองมากที่สุดเหมือนเธอนั่นแหละในเมื่อฉันเป็นสิทธิ์ของพระพุทธองค์ก็ต้องเชื่อตามคําสอนของพระองค์ท่าน ใครๆก็รักตัวเองมากที่สุดด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นถ้ามีใครมาบอกว่าเขารักเธอมากกว่าตัวเขาก็เชื่อได้เลยว่าเขาพูดปลดนั่นสิครับมีเรื่องเขาเล่ากันสนุกๆว่าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นคู่รักกันนั่งพรอดรักกันที่ใต้ต้นมะพร้าวผู้ชายก็บอกผู้หญิงว่าเขารักหล่อนมากสามารถตายแทนได้ ผู้หญิงก็บอกจ้างก็ไม่เชื่อพอดีมะพร้าวหล่นลงมาผู้ชายรีบเอามือทั้งสองกุมหัวตัวเองไว้ก่อนผู้หญิงก็เลยจับโกหกได้นั่นแหละแล้วเธอก็อย่าเที่ยวไปโกหกใครต่อใครเข้าแบบนั้นก็แล้วกันไม่หรอกครับหลวงพ่อเอหลวงพ่อครับแล้วคุณโยมวันวิไลกับคุณโยมผ่องพันล่ะครับหลวงพ่อเคยพูดไว้ว่า